วันนี้เป็นวันที่25กันยายนพุทธศักราช2545พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาล ท, ที่พระพุทธเจ้าได้สง่งแสดงตลอดเวลา45ประพันษาที่รวบรวมได้ก็ประมาณ 84,000 พระธรรมกันฑ์ล้วน มีใจเป็นเป้าหมายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นจะชี้มาที่ใจเพราะใจเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่ทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและเป็นผู้ที่รับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคือเป็นทั้งเหตุ และเป็นทั้งผลใจเป็นผู้สร้างเหตุแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของเหตุที่ใจสร้างขึ้นมาดังนั้นจึงต้องมาดูที่ใจเป็นหลักถ้าเราเห็นถ้าเราดูใจแล้วเราจะได้รู้ว่าใจกำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่แล้วเมื่อคิดไปแล้ว ก็จะได้รู้ว่าผลคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มองที่ใจเราจะไม่รู้เราจะหลงส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูที่ใจกันเราจะดูที่ภายนอกเราจะดูที่รูปเสียงกลิ่นรสผุพระเวลามาสัมผัสกับตา รู้จมูกริ้นกายแล้วรับรู้ที่ใจแล heart, and and ้วใจก็ไปมีปฏิกิริยากับรูปเสียงกิรลดผลภัพฑ์เหล่านั้นมีความยินดีบ้างมีความไม่ยินดีบ้างมีความเฉยๆบ้างแต่เราจะไม่เราถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ดูที่ใจเราเราจะไม่รู้ปฏิกิริยาของใจว่าเป็นอย่างไร เมื่อเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่ได้ดูที่ใจเราก็จะพยายามไปแก้สิ่งที่เราไม่ชอบ mm hmm. เช่นให้หายไปเสียให้พ้นหูพ้นตาไปเสียหรือถ้าเวลาที่เราเห็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะพยายามกวาดดึงเอาไว้ทั้งๆที่ <c oughs> ไม่รู้หรอกว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรกับจิตใจ แต่ถ้าเราดูจิตใจแล้วเวลาเราเห็นอะไรสัมผัสอะไรเราจะเห็นว่าเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาดีใจเสียใจเฉยเฉยยินดียินร้ายเหล่านี้ถ้าเมื่อเราเห็นแล้วเราจะเริ่มรู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นเพราะ ความยินดีก็ตามความเย็นร้ายก็ตามความพอใจความไม่พอใจก็ตามเหล่านี้ล้วนเป็นอารมณ์ที่สร้างความผูกพันให้กับใจให้มีกับสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะมองด้วยความวางเฉยปล่อยวาง ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาแทนที่จะอยู่เฉยๆก็ต้องไปวุ่นวายจัดการกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาสัมผัสกับใจเพราะความหลงพาไปนั่นเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ใจไปยุ่งเกี่ยวด้วยไปจัดการด้วยนั้นโดยธรรมชาติของเขานั้นเป็นอย่างไร ว่าอยู่ในฐานะของใจที่จะสามารถไปดูแลจัดการเขาได้หรือไม่แต่ถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังรรคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับใจจะเป็นมาจากภายนอกก็ดีหรือจะเป็นการปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ดี ภายนอกก็ดังที่ได้พูดไว้คือบรรดารูปเสียงกิริลดผลตะปาทั้งหลายภายในก็มีอารมณ์ต่างๆมีเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงวิญญาณการรับรู้ รูปเสียงกิริยลดโผฏฐะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณเป็นผู้รับรู้แล้วต่อมาสัญญาก็เป็นผู้แปลความหมายว่ารูปเสียงกิริยลดโผฏฐะเหล่านั้นเป็นรูปแบบไหนเป็นเสียงแบบไหนเป็นต้นแล้วก็ดูต่อไปว่าเป็น หรือเป็นภยัยหรือเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ารังเกียจแล้วสังขารก็จะปรุงแล้วก็จะเกิดเวทนาตามมาถ้าเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็จะเกิดความสุขใจถ้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็จะเกิดความไม่พอใจไม่ชอบอกชอบใจหรือความไม่ไม่สบายใจนั่นเอง แล้วเมื่อเกิดเวทนา น, นี้แล้วสังขารก็จะเป็นผู้ปรุงต่อไปถ้าเป็นสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะเข้าหาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่พอ อ, อกพอใจก็จะถอยออกหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สิ่งนั้นหายไปให้พ้นไป นี่ก็คือลักษณะของการทำงานของขันทั้งสี่ที่เรียกว่านามขันที่ปรากฏอยู่ในใจในขณะที่ได้ไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆภายนอกผ่านเข้ามาทางทวารทั้งห้าแล้วก็มีวิญญาณไปรับทราบถ้ามีอวิชชาคือความไม่รู้เข้าไป เป็นผู้ควบคุมสั่งการให้ทำงานก็จะมองไปในทางของความหลงคือจะมองไปในลักษณะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่ารังเกียจอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีใจที่มีปัญญาคือทำเป็นผู้สั่งการ คือถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาจะได้จะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ที่เข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายและเข้ามาสู่ใจโดยวิญญาณเป็นผู้รับเข้ามานั้นล้วนเป็นสภาวะธรรมทั้งสิ้นมีคุณสมบัติคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงปีการหมุนเวียนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วดับไปเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนถ้ารู้แล้วไม่ยึดไม่ติดก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่รู้ถ้าหลงไปยินดีไปยินร้ายเข้าก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือเรื่องราวของใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ แต่ไม่มีใครสั่งสอนเรื่องเหล่านี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลายเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วจะไม่รู้เรื่องราวของใจเลยไม่รู้เรื่องราวของปฏิกิริยาของใจการทํางานของใจต่อสิ่งต่างๆก็เลยกลายเป็นใจที่หลงกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัส ถ้าอันไหนเป็นสิ่งที่เข้าใจโดยสมมุตินิยมว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าสะสมก็พยายามจะสะสมกันโดยไม่คำนึงเลยว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้นานมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะอยู่กับเขาไปได้นานมากน้อยแค่ไหนและเขาให้ความสุขกับเรา อย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่าเขาให้ความทุกข์กับเรามากกว่าความสุขสีสิ่งเหล่านี้ถ้ามีความหลงมีอวิชชาครอบงำจิตใจจะไม่มีมีความรู้สึกเลยว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปยินดีไปยึ ด, ไ ป, ยดไปติดไปชอบหรือไปชังนั้นล้วนแต่สร้างความทุกข์ให้กับใจทั้งนั้น ความสุขอาจจะให้มาบ้างแต่ก็เป็นความสุขแบบชั่วปลาเรียวปลาดาวแต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขแต่เพราะว่าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้ค่ายครวนไะม่ไม่ได้ไ ม, ไมไ่พินิพิจารณาโยนิสโสมนสัสการด้วยความรอบครอบคือไม่ได้มองทั้งกระบวนการเพียงแต่มองเพียง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในครั้งแรกของใจเท่านั้นเวลาใจเห็นอะไรแล้วเกิดความชอบขึ้นมาก็เกิดความสุขใจขึ้นมาในขณะนั้นก็อยากจะได้สิ่งนั้นมาเมื่อได้มาแล้วก็มีความสุขใจแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความกังวลภาระความห่วงใยตามมาเพราะสิ่งใดที่เรารัก ที่เราชอบที่เราได้มาแล้วเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราได้มาอาจจะเปลี่ยนพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้คนที่เราคิดว่า เขาดีกับเราซึ่งเขาก็ดีกับเราในยามที่เราพบเขาครั้งแรกแล้วอยู่กันด้วยกันครั้งแรกแต่ต่อมาเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปก็ได้เคยเอา อ, อกเอาใจเราเคยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราแต่กลับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สนใจเราหน้าตาดึงตึงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องย่อเกิดความ ทุกใจตามมายอดเกิดความชังตามมาเยอะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนล่วงหน้าเราก็จะไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาเสียใจทีหลังนี่แหละคือลักษณะของสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไป เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งและเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรือเราจะไม่อยู่ไปกับเขาไปตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้ น, นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆร้วนเป็นสภาพร่วนมีความไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งมีการแปรปลวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าใจ ขาดปัญญาคือใจไม่ดูใจว่ากําลังมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจก็ย่อมเกิดความมีปฏิกิริยาตอบโต้ตามนิสัยต า, ตามนิสัยที่เกิดได้สะสมมาเป็นเวลายาวนานนี่เราเรียกว่าอารมณ์คือมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์ แทนที่จะใช้เหตุใช้ผลตอบโต้กับใช้อารมณ์เพราะอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เร็วมากเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นอัตโนมัติพอเห็นอะไรปับ๊บจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีสุขทุกข์ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจจะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบ อตอบโตกับสิ่งนั้นๆทันทีแต่ถ้าเริ่มได้มาศึกษาธรรมแล้วเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นร้วนเป็นของที่ไม่น่าจะต้องไปยินดีไปยินร้ายไม่มีความจำเป็นจะต้องไปรักไปชังพราะของทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนกับธรรมชาติทั่วๆไปเพราะของต่างๆก็รุ่นมาจากธาตุทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นธาตุสี่ดินน้นลมไฟธาตรู้าธาตุอากาศเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของสิ่งต่างๆภายนอกที่ใจจะต้องเข้าไปสัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วก็หลงตามไปแล้วก็ดีใจเสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าสุขเสียใจกับสิ่งนั้นๆก็สิ่งเหล่านั้นเขาไม่อยู่นิ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงุนเวีย น, ปยน ไ, ปไปตลอดเวลานั่นเอง นี่แหละคือเรื่องราวของใจที่พระเจ้ทาทรงสั่งสอนให้หันมาดูที่ใจใจเปรียบก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ถ้าไม่มีถ้าผู้ขับไม่รู้จักขับรถยนต์ก็จะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้ไปในทิศทางที่ผู้ขับต้องการให้ไปได้แต่ถ้าได้ศึกษาวิธีการขับรถยนต์ รู้จักวิธีขับให้เดินหน้าให้ถอยหลังให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาและก็ให้หยุดก็สามารถที่จะขับพารถยนต์คันนั้นไปในทิศทางที่ต้องการจะไปได้ฉันใดใจของเราก็เช่นกันใจของเราก็เหมือนกับรถยนต์ที่เราจะต้องควบคุมดูแลบังคับไม่ฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยให้ใจ วิ่งไปตามอารมณ์ก็เหมือนกับปล่อยให้รถยนต์วิ่งลงเขาไปโดยไม่มีคนขับรถซึ่งย่อมจะต้องแหกโค้งตกลงไปตกลงสู่เหวต่อไปแน่นอนดันั้ในใจของเราก็เป็นฉะนั้นถ้าเราไม่ควบคุมด้วยธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะเตลิดเปิดเปิง ไปตามอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆที่เราเคยสะสมไว้ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงนั่นเองเหตุกับผลก็คือไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นเหตุที่จะนําไปสู่ความสุขแต่จะเป็นเหตุที่จะนําไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่มีที่สิ้นสุด แต่ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาควบคุมใจให้ใจดำเนินไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยะสงสาวุกทั้งหลายได้ดำเนินไปใจก็จะดำเนินไปสู่ความสวัสดิภาพสู่ความสุขความเจริญสู่ความพ้นทุกข์นั่นเอง ทั้งนั้นเราจึงต้องศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูใจด้วยสติแล้วก็ให้เราเบรกใจด้วยการทำจิตให้สงบนิ่งเรียกว่าทำสมาธิการทาสมาธิก็เป็นการดึงใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดรุงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีต ก, กด็ดีเรื่องในอนาคตก็ดี เรื่องใกลเรื่องไก ล, เ ร, ไกลเรื่องอะไรทั้งหมดให้ใจมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ให้ใจเกาะอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเช่นจะใช้การปริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้ซึ่ง อารมณ์ที่ใช้ควบคุมใจนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มีอยู่ถึง4ี่สเรียกว่ากรรมฐาน40สที่ได้แสดงไว้เป็นตัวอย่างก็คือพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคำว่าพุทธโธหรืออานาปนสติการดูการมีสติรู้อยู่กับการหายใจ เข้าออกของลมหายใจนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีจะใช้ธรรมานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้คือการระลึกถึงพระธรรมคําสอนระลึกถึงพระอริยสงสาวกทั้งหลายหรือจะระลึกถึงมรณานุสติกคือระลึกถึงความตายก็ได้ถ้าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้ใช้อารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเป็นตัว ผูกใจไว้เปรียบเหมือนกับเสาเวลาเราต้องการผูกลิงไว้ไม่ให้ลิงเดินไปเพ่นพ่านเราก็ต้องจับลิงผูกไว้กับเสามีเชือกเส้นใหญ่ๆคล้องคอไว้ที่ปลายหนึ่งแล้วที่ปลายเชือกก็เอามาผูกไว้ที่เสาเมื่อ ม, มีการผูกเชือกไว้ที่เสาแล้วลิงก็ย่อมไม่สามารถที่จะไปเพ่นพ่าน ไปไหนได้ใจก็เช่นกันถ้าเมื่อมีการควบคุมผูกไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยสติคือสตินี้เปรียบเหมือนกับเชือกใจเปรียบเหมือนกับเหลงส่วนกรรมฐานอารมณ์ที่เป็นเครื่องควบคุมจิตใจนั้นเรียกว่ากรรมฐาน เช่นเราใช้ลมหายใจเข้าออกก็จะเป็นอนาปานสติก็ผูกใจไว้ให้อยู่ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือมรณานุสติให้ระ ล, ลึกถึงความตายให้พิจารณาถึงความตายอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายใครๆทั้งหลายทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิต เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาให้คิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าใจไม่ได้ไปสู่ที่อื่นไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบตัวลงนิ่งเวลาจิตนิ่งแล้วใจนิ่งแล้วก็ไม่มีความเจียมเป็นที่จะต้องไปควบคุมบังคับอีกต่อไปเพราะในขณะนั้นใจจะไม่ลอยไปไหนอีกแล้ว แต่จะอยู่นิ่งได้นานเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่กําลังของสติที่ใช้ในการดึงผูกดึงใจให้เข้าสู่ความสงบในขณะที่ใจสงบนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเป็นขณะที่ใจกําลังเสวยความสุขเป็นเป็นขณะที่ใจมีความอิ่มมีความพอแต่หลังจากที่ออกจากความสงบแล้ว ใจก็จะเริ่มคิดไปตามเรื่องต่างๆอีกตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำใจมาคิดในทางที่ถูกที่กวนในทางที่จะสร้างให้เกิดปัญญาก็คือให้ใจหันมาดูเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจเช่นให้ดูวิญญาณเวลารับรู้รูปเสียงกิริยลดโพธภะให้ให้ดูสัญญาผู้แกล รูปเสียงกลินรสผลทพพเหล่านั้นว่าเป็นอะไรแปลถูกหรือแปลผิดถ้าจะแปลให้ถูกจะต้องแปลให้เป็นไตรลักษณ์ให้หมดคือจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นถ้าแปลอย่างนี้แล้วสังขารจะได้ไม่ปรุงไปสู่ความอยาก คือตัณหาอันเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์ตามมาแต่จะปรุงไปทางมรรคคือจะปรุงเพื่อปล่อยวางพอรู้ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นไยรลักคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะต้องมีความทุกข์นั่นเองแล้วเมื่อเราทุกคนเกิดมาก็ไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์แล้วเราจะไปะยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร ไปติดกับสิ่งเหล่านั้นทําไมพอเมื่อไปติดแล้วทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาทุกข์ม่เกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นจากการยึดติดของใจที่มีความไม่รู้จริงเข้ามาเป็นตัวกระสิบเป็นตัวสั่งให้ใจไปยึดไปติดไปยินดีไปชอบหรือไปรังเกียจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเกิดเป็น ภาวะตัณหากามะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองเมื่อมีภาวะตัณหากามตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาคือรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแต่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นก็ไม่ยึดไม่ติด ก็ปล่อยวางถ้าปล่อยวางใจก็จะสงบใจก็จะเย็นก็คือนิโรธก็ปปากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ดับไปดับเพราะปัญญาดับเพราะสติเพราะเรามีสติปัญญาคอยดูใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองคือเราไม่ดูข้างนอกมากจนเกินไปข้างนอกเราก็ดูแต่เราต้องดูข้างในมากกว่า ข้างนอกดูแล้วก็ต้องหันเข้ามาดูข้างในว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเป็นถ้ามีสติมีปัญญาเข้าใจไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปถ้าไม่อยู่ในวิสัยหรือไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้ามี ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆก็ให้ใช้ปัญญาทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าสุดวิสัยเหนือวิสัยก็ไม่มาเศร้าสุกเสียใจไม่มากังวลเพราะยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราไปได้ทั้งหมดเราอาจจะควบคุมหรือจัดการกับเขาได้ ในระดับหนึ่งเมื่อมันสุดเอื้อมสุดความสามารถแล้วก็ต้องยอมรับความจริงก็ปล่อยวางมันเองคือรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ช้าก็าเร็วที่จัดการไปที่ทําไปก็จัดการไปอย่างนั้นทําไปอย่างนั้นเท่าที่จําเป็นเช่นเรามีบ้านเราก็ต้องดูแลรักษาบ้านปัดกวาดเช็ดถูเวลา มีการชารุดทุดโทมก็ต้องมีการซ่อมแซม <c oughs> แต่ถ้ามันเก่ามากมันผุพังซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องปล่อยให้มันพังไป <c oughs> เช่นเดียวกับร่างกายของเราก็เป็นแบบนั้นร่างกายของเราเราก็ดูแลรักษาไปตามความความสามารถตามอัตภาพ ตากำลังของเราที่เราจะรักษาได้แต่เมื่อมันถึงเวลาที่มันไม่ยอมให้รักษาแล้วไม่ให้ดูแลแล้วมันจะมีแต่จะสลายมีแต่จะลายอย่างเดียวก็ต้องยอมรับความจริงเพราะร่างกายก็เป็นกายลักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุขังอนัตตาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจใจมาเกี่ยวข้องด้วยเป็น อย่างนั้นทั้งนั้นถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะมีสติมีปัญญาคอยรักษาใจสติปัญญานี้ก็คือองค์ของวิปัสสนานั่นเองวิปัสสนาหรือหรือปัญญาหรือมรรคถ้ามีสติปัญญามีธรรมะอยู่คอยเป็นผู้สั่งการ ให้ใจปฏิบัติแล้วใจก็จะปฏิบัติด้วยวิธีที่ถูกต้องคือวิธีที่ไม่สร้างให้เกิดความอยากทั้งหลายขึ้นมานั่นเองอยากไม่ได้ก็อยากอะไรกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อยากไม่ได้อยากไปแล้วก็จะทุกกับเขาแต่ถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่ทุกกับเขาแต่ก็ยังอยู่กับเขาได้ยอมรับตามความเป็นจริง สภาพตามความเป็นจริงของโลกเขาเป็นอย่างไรก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างนั้นวันนี้ฝนตกไปยอมรับได้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็รับได้อากาศวันนี้จะหนาวก็รับได้พรุ่งนี้อากาศจะร้อนก็รับได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้นั่นเองแต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราแต่เราไม่ได้มองที่ใจของเราลรากลับไปมองข้างนอกกัน เราจึงไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเวลาร้อนเราก็ไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้แต่พอใช้ไปใช้ไปเครื่องปรับอากาศก็เสียหรือไฟก็ดับเมื่อไม่มีเครื่องปรับอากาศก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความร้อนนุนใจขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดเวลาร้อนก็ยอมรับรู้ว่ามันร้อนแล้วก็พยายามปรับใจ ให้อยู่กับความร้อนนั้นก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปหาเครื่องปรับอากาศไม่ต้องไปห่วงว่าไฟจะดับหรือไม่ดับอย่างไรไม่ต้องห่วงว่าเครื่องปรับอากาศนั้นจะเสียเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะเราจัดการ <c oughs> กับความทุกข์ที่ต้นเหตุเราไม่ได้ไปจัดการความทุกข์ที่ปล่ยเหตุถ้าไปจัดการกับความทุกข์ที่ปลายเหตุแล้ว จัดการเท่าไหร่ก็จะไม่มีทางสิ้นสุดนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราหันมาดูที่ใจเพราะใจเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลเป็นผู้ที่สร้างเหตุขึ้นมาเหตุก็มีทั้งสองอย่างเหตุที่ดีก็เรียกว่าเหตุที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์และเหตุที่ไม่ดีก็คือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ซึ่ง เหตุที่ไม่ดีนี้ก็เกิดจากความไม่รู้นั่นเองอวิชชาความไม่รู้จริงไม่รู้สภาพความเป็นจริงของโลกของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วนำมาปฏิบัติมา ป, ปฏิบัติตั้งแต่การนั่งสมาธิควบคุมจิตใจถ้าเราสามารถคุมทุมจิตใจให้นิ่งได้ต่อไปเราก็จะสามารถปล่อยวางได้ เพราะการปล่อยวางก็คือฐารทำใจให้นิ่งนั่นเองจะนิ่งได้ก็ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องจะปล่อยวางได้ก็จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองให้เรารู้ให้เราเข้าใจถึงสภาวธรรมทั้งหลายที่อยู่ทั้งภายนอกและหนักภายใน